บทที่7ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนามีผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะที่เกิดทางตาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกพอใจสุขเวทนาไม่พอใจทุกขเวทนาหรือความรู้สึกวางเฉยอุเบกขาเวทนาแล้วแต่อารมณ์ที่มากระทบ ถ้าอารมณ์นั้นเป็นรูปที่สวยงามเราจะรู้สึกพอใจถ้าเป็นรูปที่น่าเกลียดเราก็จะรู้สึกไม่พอใจส่วนรูปที่เป็นกลางๆางคือไม่สวยและไม่น่าเกลียดก็จะทำให้เรารู้สึกวางเฉยหรืออุเบกขาเวทนาอุเบกขาเวทนาไม่ได้ทำให้เราเกิดการตัดสินว่าเป็นความรู้สึกดีหรือไม่ดี และเราอาจจะไม่ได้รับรู้เลยว่าได้เกิดความรู้สึกที่เป็นอุเบกขาเวทนาขึ้นในใจแต่อุเบกขาเวทนาก็จัดเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งด้วยอันที่จริงเวทนาทั้งสามชนิดคือสุขทุกข์และอุเบกขาไม่มีอัตตาตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีบุคคลที่เสวยเวทนา หากแต่เป็นเพียงอาการของจิตที่เนื่องมาจากการกระทบสัมผัสเท่านั้นการเกิดขึ้นของวิญญาณผัสสะและเวทนาในขณะเห็นการเห็นเกิดได้เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยและผัสสะเกิดได้ เพราะมีการประชุมกันของจักขุภาษาทรูปอายตนะภายในกรูปารมอายตนะภายนอกและจักขุวิญญาณมานายตนะทั้งสมอย่างนี้เรียกว่าอายตนะคือเหตุเกิดจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าจักขุวิญญาณต่างจากกรูปารม แต่คนทั่วไปมักจะสับสนเกี่ยวกับธรรมสองอย่างนี้โดยคิดว่าเป็นอย่างเดียวกันพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าจักขวิญญาณเกิดเพราะมีจักขุปภาสาทรูปและรูปารมมาประชุมกันและเมื่อมีการประชุมพร้อมกันของจักขุประสาทรูปรูปารมและจักขวิญญาณ ก็หมายถึงการเกิดขึ้นของผัสสะเมื่อตารูปและจักขุวิญญาณซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสามอย่างได้มาประชุมรวมกันก็จะมีการกระทบสัมผัสที่ทำให้มีสภาวธรรมการเห็นเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงเจริญสติระลึกรู้อยู่จะสามารถรู้ชัดสภาวธรรม การเห็นนี้ได้ด้วยตนเองและจะกำหนดบริกรรมว่าเห็นหนอในแต่ขณะที่มีการเห็นเกิดขึ้นเมื่อสมาธิแก่กล้าขึ้นผู้ปฏิบัติธรรมจะทราบว่าการเห็นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยปราศจากเหตุปัจจัยและไม่มีบุคคลตัวตนที่เห็นหรือทำให้เกิดการเห็นแต่ การเห็นเป็นสภาวธรรมที่ประกอบด้วยรูปนามเป็นปัจจัยให้เกิดจักขุวิญญาณเมื่อสามารถเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทได้จริงก็จะเป็นอิสระจากความเคลือบแคลงสงสัยและความหลงผิดข้อนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมในขณะที่บรรลุโสดาปติมัคคยาน ผู้ปฏิบัติธรรมจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทเพราะความไม่รู้ในหลักปฏิจจสมุปบาทมักเป็นเหตุให้เกิดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นความลังเลสงสยัยจําแนกได้เป็นแปดประการคือ 1. ความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสมบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวงจริงหรือหรือว่าพระองค์ทรงเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่เรียกร้องให้เหล่าสาวกพากันเชื่อถืออย่างงมงายเท่านั้น 2. ความลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอนอริยมรรค และพระนิพพานกำลังจัดความโลภความโกรธและความหลงได้สิ้นเชิงนั้นมีจริงหรือสามความลังเลสงสัยในพระสงฆ์พระอริยสาวกที่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนั้นมีจริงหรือพระโสะดาบันที่กำจัดความเห็นผิดได้แล้วและไม่ต้องไปเกิดในอบายภพนั้นมีจริงหรือ พระสักคาคามีมีการมราคะและโทสะเบาบางนั้นมีจริงหรือพระอนาคามีที่กําจัดการมราคะและโทสะได้ทั้งหมดนั้นมีจริงหรือพระอรหันต์ที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งสิ้นนั้นมีจริงหรือ 4. ความลังเลสงสัยในการปฏิบัติการรักษาศีลและการเจริญภาวนา มีประโยชน์ต่อการอบรมจิตจริงหรือหาความลังเลสงสัยเกี่ยวกับอดีตเราเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดในชาติก่อนเราเคยเป็นใครในชาติก่อนเราเคยเป็นอย่างไรในชาติก่อนเราเคยเป็นอะไรแล้วได้เป็นอะไรในชาติก่อนหกความลังเลสงสัยเกี่ยวกับอนาคต เราจะเกิดหรือจักไม่เกิดในชาติหน้าเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นอย่างไรเราจะเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรในชาติหน้า 7. ความลังเลสงสัยเกี่ยวกับอดีตและอนาคตซึ่งก็คือพบปัจจุบันซึ่งเป็นพบอยู่ระหว่างอดีตและอนาคตตามคำพีดีกากล่าวไว้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับพระบาลีในพระสุดตันตปิโดกซึ่งตรัสว่าหรือในขณะนี้เป็นผู้มีความสงสัยเกี่ยวกับตนเองในปัจจุบันโดยสงสัยว่าเรามีอยู่หรือไม่มีอยู่เราเป็นชาติอะไรอยู่เรามีรูปร่างสันฐานเป็นอย่างไรสัตว์นี้มาจากพบไหนเมื่อตายแล้วจะไปสู่พบไหนคําถามเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า มีความสงสัยเกี่ยวกับอดีตห้าประการเกี่ยวกับอนาคตห้าประการและเกี่ยวกับปัจจุบันหกประการผู้ปฏิบัติธรรมจะสามารถขจัดความลังเลสงสัยเหล่านี้ได้ต่อเมื่อเขาได้ข้ามพ้นจากความเห็นผิดเกี่ยวกับอัตตาตัวตน8ความลังเลสงสัยในหลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งกล่าวถึงความเป็นเหตุเป็นผลกันของสภาวธรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกเช่นสงสัยว่าสังขารเกิดเพราะอวิชชาความไม่รู้ความจริงของชีวิตเป็นปัจจัยจริงหรือการเกิดใหม่มีกรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งจริงหรือกรรมที่ดีจะส่งผลดี และกรรมที่ชั่วจะส่งผลชั่วในชาติหน้าจริงหรือสภาวะธรรมทุกอย่างจะต้องมีเหตุปัจัยจึงเกิดได้หรือทุกทุกสิ่งในโลกนี้เป็นองค์รวมของปรมณูที่ประกอบกันขึ้นโดยบังเอิญกระนั้นหรือความลังเลสงสัยเหล่านี้มักเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันเป็นห่วงโซ่ของเหตุคืออวิชชาสังขาร และของผลคือสังขารวิญญาณตามที่ระบุไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาทหากปล่อยความลังเลสงสัยเหล่านี้ให้เนิ่นนานไปก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเห็นผิดต่อมาความเชื่อผิดๆที่คัดค้าหลักปฏิจจสมุปบาทมีรากเหง้ามาจากความลังเลสงสัยเหล่านี้นั่นเองการคาดเดาเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิต ที่อยู่เหนือระดับปัญญาของปุุชนก่อให้เกิดความสงสยัยที่อาจกลายเป็นความเห็นผิดได้ความเคลือบแคลงสงสยัยและความเห็นผิดทั้งหลายล้วนเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจในหลักปฏิจจสมุปบาทดังนั้นผู้ที่เข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทอย่างแท้จริงจึงเป็นผู้ปรสศจากความเคลือบแคลงสงสยัย และความเห็นผิดเมื่อทดลองวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งแล้วจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบขึ้นด้วยเหตุและผลและแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตเช่นโลกใบนี้ตลอดจนดวงอาทิตย์และต้นไม้เป็นต้น ก็เกิดจากเหตุปัจจัยทั้งสิ้นดังนั้นไม่ว่าสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตในจักรวาลแห่งนี้ล้วนตกอยู่ในภายใต้หลักของปฏิจจสมุปบาททั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญโดยไม่มีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันอย่างไม่มีข้อโต้แย้งว่า ในโลกของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั้นเป็นไปตามกฎของเหตุและผลซึ่งอาจนับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่พิสูจน์คำสอนของพระบรมศาสดาเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทไม่ว่าจะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามถึงอย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ทรงย้ำให้พิจารณาแต่โลกภายในตัวเราเท่านั้น เนื่องจากโลกภายนอกที่เกี่ยวกับวัตถุและสิ่งไม่มีชีวิตนั้นไม่มีวงจรชีวิตและไม่มีการวนเวียนอยู่กับทุกในวัฏสงสารจึงไม่ตรัสสอนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นสาระสาคัญในทัศนะของพุทธศาสนาก็คือหากปล่อยให้สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามยถากรรม สัตว์โลกที่เป็นองค์ประกอบของรูปกับน้ำจะต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัตรอย่างไม่จบสิ้นและส่วนใหญ่ต้องไปเกิดในทุกติภูมิซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ถ้าเข้าใจกระบวนการความเป็นไปของรูปนามแล้วปฏิบัติตนอย่างมีปัญญาก็อาจพัฒนาตนเองให้ก้าวไปในทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้นได้ ถึงแม้จะยังไม่สามารถหลุดพ้นได้ในชาตินี้เราก็สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นและได้เกิดใหม่ในภพที่ดีขึ้นกว่าเดิมในตอนที่ผ่านมาได้กล่าวไปแล้วว่าเอาวิชาเป็นเหตุให้เกิ ด, กดสังขารและความขวนขวายกระทำกรรมเป็นเหตุให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณในภพใหม่ ต่อจากนี้จะกล่าวถึงเหตุเกิดขึ้นของปฏิสนธิวิญญาณอีกเล็กน้อยในอังคุตรนิกายติกนิบาตพระพุทธองค์ได้ตรัสเปรียบเทียบไว้ว่ากรรมหรือเจตนาเป็นเหตุเหมือนทุ่งนาที่อุดมสมบูรณ์วิญญาณเป็นเหมือนเมล็ดพันธ์ตัณหาเป็นเหมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงทุ่งนานั้น การปลูกต้นไม้จำเป็นต้องมีพื้นดินและแปลงเพาะชำปฏิสนธิวิญญาณก็เช่นเดียวกันจำเป็นต้องมีพื้นดินที่ชุ่มชื้นเปรียบเหมือนกรรมกรรมเป็นปัใจจัยให้มีการเกิดใหม่เมื่อจิตดวงก่อนได้ดับไปแล้วจิตดวงใหม่ก็จะปฏิสนธิขึ้นในภพใหม่ก็ดำรงอยู่ในกระแสจิต เปรียบได้กับเมล็ดพันธุ์พืชที่ยังไม่งอกแต่เมื่อมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเมล็ดพืชก็พร้อมจะงอกเป็นต้นอ่อนทันทีหรืออุปมาเหมือนผู้ที่ก่ออาทยากรรมอาจกลายสภาพเป็นนักโทษเข้าสักวันหรือคนงานที่ขยันขันแข็งก็อาจได้รับรางวัลจากผลงานที่ดีเด่นของตนนอกจากนั้นการเกิดใหม่ยังขึ้นอยู่กับปฏิสนธิจิต ว่าประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลเช่นเดียวกับพืชซึ่งต้องอาศัยมเมล็ดพันธุ์จึงจะงอกเป็นต้นอ่อนได้ปฏิสนธิวิญญาณที่เป็นกุศลหรืออกุศลนี้เกิดขึ้นและดับไปเป็นปัจจัยให้เกิดกระแสวิญญาณที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันต่อเนื่องไปอย่างไม่ขาดสาย กระแสวิญญาณที่เกิดต่อเนื่องจากวิญญาณซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยนั้นมีลักษณะคล้ายกับงูลอกคราบวิญญาณที่สําคัญที่สุดได้แก่จิตใกล้ตายที่รับเอากรรมกรรมนิมิตรหรือคตินิมิตเป็นอารมณ์เรียกว่าอุปทานสสมังคิตาความถึงพร้อมแห่งอารมณ์ที่มาปรากฏหมายถึง สัญญาณบ่งบอกถึงพบข้างหน้าที่มีสังขารและกรรมเป็นปัจจัยปรุงแต่งการเปลี่ยนจากจุติดจิตเป็นปฏิสนธิจิตมีลักษณะคล้ายกับการพัฒนาของพืชจากเมล็ดเป็นต้นอ่อนเมล็ดพืชต้องอาศัยจึงจะงอกขึ้นได้หากขาดน้ำก็ควรมีความชื้นในอากาศ มิฉะนั้นเมล็ดพืชก็จะไม่งอกในทํานองเดียวกันแม้จะมีกรรมเป็นพื้นฐานให้เกิดพบใหม่แต่หากไม่มีตันหาซึ่งเปรียบเหมือนความชุ่มชื้นเสียแล้วการเกิดใหม่ก็มีไม่ได้ดังเช่นในกรณีของพระอรหันต์ถึงแม้ท่านจะมีวิญญาณและกรรมซึ่งได้เคยกระทำมาแต่ครั้งเป็นปุถุชนเป็นปัใจจัยให้เกิดพบใหม่ แต่ปฏิสนธิวิญญาณก็ไม่อาจเกิดได้เพราะท่านดับตัณหาได้โดยสิ้นเชิงแล้วบุคคลที่ไม่ใช่พระอรหรันย่อมมีตัณหาด้วยกันทั้งสิ้นตัณหาในปุถุชนมีกำลังมากทำให้เห็นว่ากรรมคุณอารมณ์ทั้งหลายดีงาม น่ารื่นรมหน่าปรารถนาทำให้หลงผิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเป็นสุขและหวังให้มีอยู่คงตลอดไปตัณหาพอใจอารมณ์ที่ดีงามและถือว่าการหาความสุขความมั่งคัง่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญในชีวิตตัณหาชักนำให้ขวนขวายทำกรรมซึ่งก่อให้เกิดเจตสิกอื่นอื่นอีก ครั้นเมื่อบุคคลใกล้จะตายเจตสิกเหล่านั้นก็จะมาเป็นปัใจจัยให้เกิดอารมณ์สามอย่างคือตรมกรรมนิมิตและคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งหากเป็นอารมณ์ที่ดีผู้จะตายจะรู้สึกเบิกบานกระปรี้กระปร่าแสดงให้เห็นว่าเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมของเขากาลังเริ่มงอกเป็นต้นอ่อนแล้วหากเป็นอารมณ์ที่ไม่ดี เขาก็ไม่รู้สึกยินดีพอใจแต่เนื่องจากอารมณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาความยึดมั่นในตัวตนเขาจึงเป็นปัจจัยให้เมล็ดพันธุ์แห่งกรรมเริ่มงอกงามขึ้นเป็นต้นอ่อนได้ดังนั้นการเกิดใหม่ของปุถุชนหรือเศคบรุคลจึงถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยปัจจัยสามอย่างคือกรรมจิตวิญ ญ, ญาณ ซึ่งเป็นวิบากของกรรมและตัณหากรรมเปรียบเหมือนพื้นดินอุดมสมบูรณ์ซึ่งรู้เห็นได้ในขณะใกล้ตายว่าเป็นกรรมารมณ์กรรมนิมิตหรือคตินิมิตซึ่งเรียกว่ากรรมมสมังคิตาความถึงพร้อมแห่งกรรมความยินดีพอใจที่มีต่อนิมิตอารมณ์ที่มาปรากฏในเซี่ยวเวลาใกล้จะตายนั้น เปรียบเหมือนความชุ่มชื้นของพื้นดินหลังจากบุคคลสิ้นชีวิตลงปฏิสนธิวิญญาณอันเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ซึ่งในวาระสุดท้ายของชีวิตในภพก่อนถูกปรุงแต่งโดยเจตสิกเรียกว่าวิปากสมังคิตาความถึงพร้อมแห่งวิบากจึงเกิดขึ้นสืบต่อไปในภพใหม่ปฏิสนธิวิญญาณ เป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปอายตนะผัสสะและเวทนาความสัมพันธ์ขององค์ธรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดความเป็นไปของชีวิตจึงอาจกล่าวได้ว่าองคธรรมเหล่านี้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งพกปัจจุบันเป็นสิ่งซึ่งแยกไม่ออกจากนามรูปและนามรูปทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกร่างกาย ก็คือทุกข์เพราะมีความแปรปรวนเกิดดับอยู่เสมอแต่ความไม่รู้ลวงให้เข้าใจผิดว่าเป็นความสุขและไปยึดติดผูกพันขุณขวายเพื่อให้ได้อารมณ์ที่ตนปรารถนาความหมกมุ่นติดใจในสิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยชักนำสร้างพบใหม่อยู่เรื่อยไป เมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นในภพใหม่จึงเป็นปัจจัยให้เกิดรูปกายอันเป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณและเป็นปัจจัยให้เกิดเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตในลักษณะต่างๆเช่นผัสสะและเวทนาเป็นต้นเมื่อปฏิสนธิวิญญาณดับก็มีวิญญาณเกิดสืบต่อเรื่อยไปตลอดไม่ขาดสาย ประกอบด้วยเจตสิกที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเช่นโลภะโทสะหรืออโลภะอโทสะเป็นต้นเจตสิกเหล่านี้ประกอบร่วมกับเจตนาอันมีจิตเป็นใหญ่ย่อมชักนำให้กระทำอากับกิริยาต่างๆเช่นนั่งยืนเดินเป็นต้นดังนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสคาถาเป็นต้นว่าจิตเตนะนิยะติโลโกโมีใจความว่าจิตเป็นผู้นำโลกไปเป็นผู้พาให้โลกเป็นไปตามความพอใจโลกทั้งปวงย่อมติดตามจิตไปในเรื่องนี้สับว่าโลกหมายถึงสัตว์โลกจิตนำสัตว์โลกไปทั้งในทางดีและทางชั่ว จิตของสัตว์บุรุษ ท, ที่ประกอบด้วยศรัทธาและศีลเป็นต้นย่อมชักนำให้ประกอบกุศลกรรมเช่นฟังธรรมและปฏิบัติวิปัสสนาส่งผลให้ไปเกิดในภพที่ดีขึ้นหรือนำไปสู่มรรคผลนิพพานในทางตรงข้ามจิตของคนชั่ว ย, ย่อมฉุดให้หมกมุ่นอยู่กับการแสวงหากรรมคุณอารมณ์ และประกอบแต่อากุศ ล, ลกรรมเมื่อตายลงจึงส่งผลให้ไปเกิดในภพที่ต่ำลงและต้องได้รับทุกข์ทรมานเป็นอันมากคาถาข้างต้นแสดงว่านามรูปทั้งปวงมีจิตเป็นใหญ่สอดคล้องกับหลักปฏิจจสมุปบาทซึ่งกล่าวว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอันได้แก่ผัสสะเวทนาเป็นต้นและรูปต่าง ต่อไปจะกล่าวถึงผัสสะที่เกิดทางหูซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบสามอย่างเช่นเดียวกันคือหูโสตประสาทเสียงสัทธารมและโสตวิญญาณการเกิดขึ้นของวิญญาณผัสสะและเวทนาในขณะได้ยิน สภาวะทำการได้ยินจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากหูและเสียงนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าคลื่นเสียงเดินทางด้วยความเร็ว 1,100 ฟตุตต่อหนึ่งวินาทีส่วนคลื่นวิทยุจะเร็วกว่าเพราะสามารถเดินทางรอบโลกได้ในเวลาเพียงชั่วขณะเดียว เมื่อคลื่อนเสียงมากระทบหูซึ่งคล้ายกับการที่ภาพกระทบกับกระจกเงาจะมีจิตได้ยินเกิดขึ้นในทันทีเราไม่ควรทึกทักว่าเจ้าของโสตรประสาทคือผู้ได้ยินเพราะโสตรประสาทหรือหูเป็นรูปอย่างหนึ่งซึ่งมีสภาพแปรเปลี่ยนไม่คงที่มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลา ลักษณะเหมือนกระแสน้ําไหลไปในลาธารไม่หยุดยัง้งเมื่อคลื่นเสียงกระทบกับกระแสโซตประศาสตร์ก็เป็นปัจจัยให้เกิดโซตาวิญญาณจิตทาหน้าที่รับรู้เสียงเพียงชั่วขณะแล้วดับไปต่อจากนั้นเกิดสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตและวธัพพนะจิตทาหน้าที่รับอารมณ์ พิจารณาอารมณ์และตัดสินอารมณ์จิตแต่ละดวงเกิดขึ้นดำรงอยู่ชั่วขณะแล้วดับไปหลังจากนั้นชวนาจิตเกิดขึ้นเสพอารมณ์เจตขณะก่อนจะดับไปแล้วจึงมีทตารรมณะจิตเกิดอีกสองขณะรับอารมณ์ต่อจากชวนาจิตที่กล่าวมานี้เป็นกระบวนการในการได้ยิน เราได้ยินเสียงก็เพราะมีโสตวิญญาณจิตเกิดขึ้นเนื่องจากมีการกระทบกันของหูและเสียงเป็นปัจจัยดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่เจริญสติอยู่เสมอย่อมทราบว่าการได้ยินเกิดขึ้นเพราะมีหูและเสียงไม่มีอัตตาหรือบุคคลผู้ได้ยินอันหนึ่งในขณะได้ยินนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะรับรู้ความเป็นเหตุเป็นผลกัน ขององค์ธรรมต่างๆได้ชัดกว่าในขณะเห็นดังนั้นการได้ยินจึงหมายถึงการประชุมกันของหูเสียงและโสตวิญญาณจิตการประชุมกันดังกล่าวนี้เรียกว่าผัดศะผู้ปฏิบัติธรรมมักจะรับรู้การกระทบของเสียงได้อย่างชัดเจนเมื่อมีสมาธิตั้งมัน่นบางคนมีความรู้สึกไวมากเมื่อได้ยินเสียงที่ระคายหู เขาอาจรู้สึกเหมือนมีคลื่นเสียงโถมกระนำเข้ามากระแทกโสตรปสตระสาทบางคนอาจถึงกับสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงใบไม้ตกกระทบพื้นกระบวนการเกิดผัสสนี้จะเห็นได้ชัดกรณีมีเสียงหลายชนิดเกิดขึ้นรอบตัวเรามักได้ยินเฉพาะเสียงที่เราเลือกหรือจะต้องการฟังเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเสียงที่ดังมาก เสียงกระด้างหรือเสียงสูงแหลมมาเข้าหูเราอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้จาเป็นต้องได้ยินแม้จะไม่อยากฟังต่างจากภาพไม่น่าดูซึ่งยังสามารถหลีกเลี่ยงโดยไม่มองได้เรารู้สึกพอใจเมื่อได้ยินเสียงไพเราะเช่นเสียงเพลงหรือคำพูดที่อ่อนหวานและไม่พอใจเมื่อได้ยินเสียงที่ไม่สนอหู เช่นเสียงกระด้างหรือคำพูดหยาบคายเมื่อได้ยินเสียงทั่วไปในชีวิตประจำวันเราจะมีความรู้สึกเป็นกลางไม่จัดเป็นความพอใจหรือไม่พอใจเรียกว่าอุเบกขาวเวทนาซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนจนบางครั้งอาจไม่ได้สังเกตความรู้สึกนี้แม้ว่าในคาภีอภิธรรม จะกล่าวว่าวิญญาณจิตซึ่งทำหน้าที่เห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสเป็นจิตที่เกิดพร้อมกับอุเบกขาเวทนาเท่านั้นและกล่าวว่าในขณะรู้อารมณ์ทางตาและหูเป็นต้นนั้นไม่ทำให้เกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจแต่ในการเจริญสตินั้นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรใส่ใจกับวิญญา ณ, ณจิตเพียงอย่างเดียว ควรกำหนดรู้วิถีจิตที่เกิดขึ้นทั้งวิถีรวมถึงความรู้สึกคือสุขเวทนาในจิตทําหน้าที่ต่อเนื่องกันไปด้วยเช่นสันติรณะพิจารณาอารมณ์ชวนาเสพอารมณ์และตทารมนะัมมณารับอารมณ์ต่อจากชวนานอกจากนั้น ในขณะเกิดชวนะก็อาจปรากฏทุกขเวทนาอีกด้วยแม้จกขู่วิญญาณและโสตวิญญาณเป็นต้นจะเกิดพร้อมด้วยอุเบขาเวทนาก็ตามแต่หลังจากนั้นย่อมเกิดความรู้สึกที่ดีและไม่ดีตามมา เนื่องจากเป็นผลของกรรมดีและกรรมชั่วหากการเห็นนั้นเป็นวิบา ก, กรรมชั่วย่อมเกิดความรู้สึกไม่ดีเช่นเมื่อได้เห็นรูปารมณ์ที่ไม่ดีก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจหรือหวาดกลัวเป็นต้นเสียงที่ดังเกินไปอาจทำให้หูหนวกกลิ่นที่เหม็นอาจทำให้ปวดศีรษะ และอาหารที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ข้อ น, นี้จัดเป็นอุเบกขาเวทนาที่มีลักษณะค้อนไปทางทุกขเวทนาในทานองเดียวกันอุเบกขาเวทนาอันเกิดจากอารมณ์ที่ดีทางทวารสีก็เป็นปัใจจัยให้เกิดสุขเวทนาต่อมาได้เช่นรู้สึกยินดีเมื่อเห็นรูปสวยงามได้ยินเสียงไพเราะ เป็นต้นจัดเป็นอุเบกขาเวทนาที่มีลักษณะค่อนไปทางสุขเวทนาเพราะเป็นผลวิบากของกุศ ล, ลกรรมดังคำภี์วิสุทธิมัคดีกากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าอุเบกขาเวทนาอันเป็นวิบากโดยตรงของกรรมที่สามจึงมีลักษณะที่สาม ที่จริงแล้วอุเบกขาเวทนาที่มีอกุศลกรรมเป็นปัจจัยอาจเป็นความรู้สึกที่เป็นกลางแต่เนื่องจากเป็นความรู้สึกที่เกิดจากกรรมที่ชั่วจึงเป็นความรู้สึกที่ต่ำซามอุปมาเหมือนดอกไม้ที่บานอยู่ในกองอุจจาระย่อมมีกลิ่นเหม็นนอกจากนั้นแม้ว่าอุเบกขาเวทนาจะไม่เลวร้ายเท่าทุกขเวทนา แต่เพราะเป็นความรู้สึกที่ไม่น่าปรารถนาจึงจัดเป็นสิ่งที่ต่ำทรามความจริงวิบากของกรรมชั่วไม่เคยส่งผลดีมีแต่จะทำให้ทุกข์ทรมานในคำพีดีกาข้างต้นได้อธิบายเรื่องนี้อย่างหนึ่งในสายโซ่ของปฏิจจสมุปบาทว่าอุเบขาเวทนาที่เกิดจากอากุศ ล, ลกรรมควรนับเข้าในทุกข เพราะเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาส่วนอุเบกขาเวทนาที่มีกุศลกรรมเป็นปัจจัยควรนับเข้าในสุขเพราะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาดังนั้นเวลาที่ได้ยินเสียงที่ไพเราะจะรู้สึกเป็นสุขเราพอใจเมื่อได้ยินคำพูดที่อ่อนหวานและจะไม่สบายหูเมื่อได้ยินคำพูดที่หยาบกระด้าง แต่เสียงที่ได้ยินอยู่ทั่วไปนั้นมักไม่ก่อให้เกิดเวทนาที่เห็นได้ชัดจึงเรียกความรู้สึกนั้นว่าอุเบกขาเวทนาเวทนาสามอย่างที่เกิดจากการได้ยินย่อมปรากฏขึ้นชัดแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติระลึกรู้อยู่เสมอผู้ปฏิบัติจะทราบได้ว่าสุขเวทนาและทุกขเวทนาเกิดจากการกระทบกัน ระหว่างเสียงและหูโดยไม่มีอัตตาตัวตนเป็นผู้ได้รับเวทนานั้นเขาย่อมทราบว่าเวทนาเกิดขึ้นและดับไปในทันทีทันใดและสภาวธรรมทุกสิ่งไม่คงทนถาวรเมื่อสมาธิพัฒนาแก่กล้าขึ้นเขาย่อมรู้เห็นได้ถึงการเกิดขึ้นและการดับไป อย่างไม่จบสิ้นของเวทนาทั้งสามอย่าง